ตายซะก่อนที่เขาจะดีได้อย่างใจเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งของคนดีคืออยากให้คนอื่นดีโดยเฉพาะลูกหลานหรือคนที่อยู่ในความรับผิดชอบถ้าเขาดีไม่ได้อย่างใจก็เป็นทุกขโทมนัตปรงใจไม่ลงสําหรับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของเรานั้นทรงสั่งสอนใครเข้าไม่เชื่อฟังก็จะทรงปล่อยและตรัสว่าเขาจักปรากฏด้วยกรรมของเขาเอง เราในฐานะเป็นสิทธิ์ของพระองค์ลองเอาพลาดปฏิปทานนี้มาใช้บ้างก็คงจะทําให้สบายใจขึ้นลูกรักตอนนี้ลูกอายุยังน้อยอยู่ยังไม่ต้องรับผิดชอบใครแม้แต่ตัวเองก็ยังต้องอยู่ในความรับผิดชอบของพ่อแม่ครูอาจารย์หรือผู้ปกครองอืง่นลูกอาจไม่รู้หรอกว่าพ่อแม่ต้องหนักใจเพียงใดในการส่งเสียให้ลูกเรียน การเลี้ยงดูให้เติบโตและประครับประคองให้เป็นคนดีพ้นภัยอันตรายในวัยอันเป็นหูเลี้ยวหัวต่อคือวัยเด็กเล็กและวัยรุ่นเสี่ยงต่อความดีความชั่วซึ่งจะมีผลไปนานแสนนานแต่ถึงอย่างไรศัจธรรมก็ยืนตัวอยู่ว่าทุกคนต้องสร้างสรรค์ชีวิตของตนเองพ่อแม่ครูอาจารย์หรือผู้ใหญ่อื่นๆเพียงแต่ชี้ทางให้เท่านั้น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 ผู้มุงเจริญอุเบกขาธรรมในเรื่องนี้ต้องหมั่นพิจารณาเรื่องกรรมให้มากทั้งฝ่ายชั่วและฝ่ายดีคนที่มีกุศลวิบากอยู่ในจิตมากได้เคยสั่งสมกุศลไว้มากกุศลวิบากนั้นย่อมโน้มน้อมจิตให้ใคล้ายทใคล้ต่อความดีสอนให้ทําดีได้ง่ายจิตไม่น้อมไปในทางชั่วจะคบมิตรก็เลือกได้แต่มิตรที่ดี ได้ช่วยกันทำความดียิ่งยิ่งขึ้นไปก็บรรดามิตรที่ดีนั้นอะไรเล่าจะเสมอด้วยบุญที่เราทำไว้เองเพราะสามารถเป็นมิตรที่ดีได้ทั้งในปัจจุบันและภพหน้าสมพระพุทธพจน์ที่ว่าสยางกตานิปุญญานิตังมิตรตังสัมปรายกังมิตรโ ด, ดยทั่วไปก็จะตามกันไปก็เพียงหลุมฝังศพหรือเมนอันเป็นที่เผาเท่านั้น ด้วยเหตุนี้คนเราจึงควรหมั่นทําบุญถือเอาบุญนั่นแหละเป็นมิตรของตนมีความกตันญูกตวเวทีต่อบุญชีวิตของคนเราเป็นเครื่องทดลองแรงบุญแรงบาปที่เราได้ทําไว้เมื่อพิจารณาบ่อยๆและมั่นใจในเรื่องนี้ก็พอวางอุเบกขาได้ 2. อ, อุเบกขาคือความวางใจเป็นกลางไม่ลำเอียงเพราะอาคติทั้งสี่ คือฉันทาคติลำเอียงเพราะพอใจโทสาคติลำเอียงเพราะไม่ชอบโมหาคติลำเอียงเพราะหลงผิดรู้เท่าไม่ถึงการพยาคติลำเอียงเพราะกลัวอุเบกขาในลักษณะนี้ทําให้ตั้งมั่นอยู่ในความยุติธรรมสมควรเป็นผู้วิพากษาความผิดความถูกของผู้อื่นและไม่พิพากษาความผิดความถูกของตนเอง สมดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าจงโจทย์ตนด้วยตนจงพิจารณาตนพิภาคษาตนด้วยตนเขาผู้คุ้มครองตนได้แล้วมีสติเห็นภัยในความผิดพลาดย่อมอยู่เป็นสุขถ้าทำใจให้เป็นธรรมแล้วใครเล่าในโลกนี้ที่จะรู้จักตัวเรายิ่งกว่าตัวเราเองแต่คนส่วนมากมักมีฉันทาคติต่อตอนเอง มีโทษาคติต่อผู้อื่นความยุติธรรมจึงคลาดเคลื่อนไปเพื่อเจริญอุเบกขาในเรื่องนี้จึงควรเว้นอคติทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมทั้งแก่ตนและผู้อื่นเมื่อเราไม่ทำอะไรก็ไม่ควรเรียกร้องอะไรและไม่ควรได้อะไรแม้เราไม่ได้สิ่งที่คนอื่นเขาได้เราก็ไม่เดือดร้อนใจเพราะเราเตือนตนเองอยู่ว่าเราไม่ได้ทาสิ่งที่คนอื่นเขาทา เราไม่ได้อยู่ในระบบที่คนอื่นเข้าอยู่ในโลกนี้มีด้านดีให้มองอยู่เสมอถ้ามองเป็นในทํานองเดียวกันแม้สิ่งที่เราเห็นว่าดีแล้วถ้ามองให้ดีก็จะเห็นโทษของมันแฝงเร้นอยู่ขอให้ลูกมองให้เห็นทั้งด้านคุณและด้านโทษของมันเรียกว่ามองเห็นตามที่เป็นจริงและมองเห็นทุกด้านไม่ใช่เห็นแต่เพียงด้านเดียวเพราะมองด้านเดียว สอุเบกขาในความสุขและความทุกข์ในความขึ้นลงของชีวิตในความเป็นคู่แห่งโล ก, กธรรมคือราบเสื่อมราบยศเสื่อมยศสรนเสริญนินทาสุขทุกข์อุเบกขาในประการที่สนี้อาจยากเกินไปสําหรับเยาวชนอย่างลูกแต่รู้ไว้บ้างก็ดีเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจสําหรับรับเหตุการณ์ในวันข้างหน้า อันหนึ่งเล่าแม้ยังเป็นเด็กก็ใช่ว่าจะไม่ต้องกระทบกับโลกธรรมเสียเมื่อไรโลกธรรมำแปดนั้นเกิดขึ้นแก่คนทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่จะต่างกันก็เพียงมากหรือน้อยและใครได้เตรียมใจไว้อย่างไรเท่านั้นเมื่อได้ลาบยศสรรเสริญและสุขลูกจะได้เพลิดเพลินไปกับมันจนเกินไปถ้าเพลิดเพลินหลงไหลมันแล้ว มันจะนำไปสู่ความประมาทมัวเมาความเสื่อมและความทุกข์ก็จะตามมาโดยเร็วตามธรรมดาความเสื่อมและความวิบัติจากสิ่งเหล่านั้นก็แฝงเร้นอยู่แล้วธรรมดามันเป็นเช้นนั้นเองสมบัติทุกอย่างลงท้ายด้วยวิบัติความเป็นหนุ่มสาวลงท้ายด้วยชราชีวิตจบลงด้วยความตายไม่มีใครหลีกพ้นเมื่อเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกเนินทา ทกุก็อย่าเศร้าโศกเสียใจจนไม่เป็นอันกินอันนอนให้รู้ตามความเป็นจริงว่ามันเป็นด้านหนึ่งของชีวิตเหมือนกลางคืนและกลางวันสลับกันอยู่อย่างนี้เมื่อลำบากเราต้องกล้าเผชิญกับความยากลำบากเมื่อคลาวสูญเสียเราต้องยอมรับความสูญเสียและรู้จักจากัดความสูญเสียไว้บ้างคือยอมเลิกสิ่งที่ควรเลิกไม่ดึงดันเกินไป จนต้องสูญเสียสิ้นเนื้อประดาตัวและจมลึกเกินไปจนถอนตัวไม่ขึ้นพยายามคบบัณฑิตเพราะคำพูดของนักปราดผู้เป็นบัณฑิตนั้นแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นประโยชน์คุ้มไปทั้งชีวิตถ้าเราเกิดไม่ทันท่านเราก็มีทางคบหาสมาคมกับท่านได้โดยการอ่านข้อเขียนของท่านคำแนะนำของท่านอยู่ในนั้นบรรดาปราศผู้เป็นบัณฑิตนั้น ใครเล่าจะเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นขอให้ลูกมันอ่านคําสอนของนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นลูกจะได้พบแสงสว่างทุกครั้งที่ถึงทางมืดและจะพบทางออกเมื่อถึงทางตันสําหรับองค์พระพุทธเจ้านั้นเพียงแต่อ่านพระประวัติของพระองค์ท่านด้วยความรอบคอบช่างสังเกตเท่านั้นก็จะสามารถแก้ปัญหาชีวิตได้มากมาย ไม่ต้องพูดถึงหลักคำสอนอันงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลาย